ทิวัตปาสุกโตเราตื่นเช้านะตั้งแต่เช้ามืดก่อนพระาทิตขึ้นก่อนที่นกกาจะหากินเรารุกขึ้นมาทำวัดสวดมนตในขณะที่ผู้คนจำนวนมากยังหลับไหลอ ย, อยู่ คนเราถึงแม้ว่าจะมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันในแต่ละวันแต่ว่าการที่จะใช้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์จากเวลานี้ไม่เท่ากันนะอย่างการที่พวกเราตื่นเช้าอย่างนี้เนี่ยนะมันก็ทําให้เราได้ประโยชน์จากเวลามากกว่าคนอื่น ถึงแม้ว่าเราจะมีเวลาเท่ากันก็ตามมันจะเรียกว่าเราเพิ่มเวลาให้กับตัวเองก็ได้นะนี่ก็เป็นกําไรนะเป็นกําไรของชีวิตกําไรนี่มันไม่ใช่เป็นตัวเงินอย่างเดียวหลายคนอยากจะมีอายุให้ยืนยาวแต่ว่า ความยืนยาวของอายุนี่มันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเกิดว่าเราใช้เวลาจำนวนไม่น้อยนะสำหรับการหลับไหลเพราะว่านั่นก็คือไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นการปล่อยเวลาให้สูญเปล่าเกินความจำเป็นนะการนอนการหลับก็สำคัญอยู่นะแต่ว่าแ ต, แต่ถ้าเรามวัวแต่หลับไหล ในเวลาที่เราได้มาในชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งมันก็มีประโยชน์น้อยอันนี้เรียกว่าเราเพิ่มเวลาให้กับชีวิตของเราเพื่อที่เราจะได้ได้ทำสิ่งดีงามการทำว่าสวดมนต์หรือว่าการตื่นขึ้นมาในยามนี้ น, นี่ก็ถือว่า เป็นการสร้างโอกาสดีๆให้กับชีวิตของเราครูบาอาจารย์ท่านก็กล้วนแต่สนับสนุนให้ลูกเส์ลูกหาในีตื่นแต่เชา้าเพราะอะไรนะนอกจากเพื่อประโยชน์อย่างที่พูพดมาแล้วเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นช่วงที่จิตใจของเราเนี่ยพร้อมในการที่จะรับธรรมะ หรือว่ารับอาหารใจถ้าเจ้าพุทธทาสบอกว่าช่วงเวลาอย่างนี้แหละนะที่ใจของเราเนี่ยเหมือนกับแก้วเปล่าพร้อมที่จะรับน้ำโดยที่ไม่กลัวว่ามันจะล้นนะมันจะไร้ประโยชน์ ใจของเราตอนนี้เนี่ยพร้อมที่จะรับธรรมะไม่ว่าจะเกิดจากการฟั ง, ฟงหรือว่าเกิดจากการพิจารณาหลายท่านทัาก็ตื่นมาเพื่อที่จะพิจารณาทำด้วยการทำสมาธิภาวนาอย่างดูใจของตัวอันนี้ก็เป็นโอกาสที่จะทาให้ใจของเราเนี่ยได้พร้อมรับธรรมะได้คือถ้าเรา ถ, ถ้าเวลามาล่วงเลยไปเป็นตอนเช้าหรือตอนสายเนี่ยใจของเราก็จะเริ่มวาวุ่นแล้วพอใจองเราตื่นมาเต็มที่เนี่ยมันก็จะเริ่มคิดโน่นคิดนี่นจิตจะเริ่มไม่ว่างนะใจเริ่มจะไม่ว่างสาหรับการรับธรรมะเพราะว่ามันถูกความคิดเข้าไปครอบงาจิตใจเต็มไปด้วยความคิดนึกต่าง ยิ่งคนกรุงเทพแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมานี่ก็บางทีก็ต้องกระบีกระวาดขนขวายนะรีบไปทำงานบางคนตื่นขึ้นมาอย่างแรกที่ทำนะก็คือไปควา้าเครื่องโทรศัพท์หรือว่าไปเปิดคอมพิวเตอร์นะเพื่อที่จะเช็คนะ อีเมลหรือไม่ก็เปิดเฟซบุ๊กเลยนะมีเพื่อนคนหนึ่งก็ติดนิสัยนี้นะตื่นขึ้นมานี่เขาก็าก็จะไปเปิดคอมพิวเตอร์เลยเพื่อที่จะได้ดูว่ามีจดหมายเข้ามาไหมดูเฟซบุ๊กนะว่ามีใครส่งข่าวมาบ้างตอนหลังเขาก็เลยพยายามแก้นิสัยนี้ แกยังไงเขาก็บอกว่าเขาจะยังไม่เปิดคอมพิวเตอร์จนกว่าเขาจะสวมดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิก่อนวันไหนถ้ายังไม่ได้สวดตื่นมาไม่ได้สวมดมนต์ไม่ได้นั่งสมาธิก็จะยังไม่แตะคอมพิวเตอร์อันนี้ก็ทำให้เขาได้มีโอกาสนะเปิดใจรับสิ่งดีๆเดี๋ยวนี้เราตื่นขึ้นมานี่แทนที่เราจะ รับเอาสิ่งดีๆให้แก่จิตใจของเราตั้งแต่เช้าตรู่บางคนก็เปิดโทรทัศน์ดูข่าวแล้วก็ข่าวที่ได้ยินได้ฟังมันก็ล้วนแต่ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านนะหรือว่าหนักกว่านั้นคือเกิดความหนักอกตังใจเกิดความโกรธเกิดความวิตกกังวลเพราะว่าข่าวสารส่วนใหญ่โดยเฉพาะข่าวช่วงเช้านี่มันก็มักจะเป็นข่าวที่ไม่ดี ไอ้ข่าวดี ๆ, ๆมักจะอยู่ท้ายๆหรือว่าเป็นข่าวเล็กๆอันนี้ถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราเรารับเอาสิ่งเหล่านี้เข้าไปมันก็ทําให้จิตใจเราเศร้ามองแล้วก็บางครั้งเราก็รับเอาขยะเข้าไปสีเยอะซสด้วยนะอันนี้ก็เรียกว่าทําให้ใจเราเนี่ยมันไม่ว่างไม่ว่างในการที่จะรับสิ่งดี ๆ, ๆเช่นความสงบ เช่นธรรมะแต่ถ้าเกิดเราตื่นขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเช้ามืดอย่างนี้นะใจเราเนี่ยยังไม่ค่อยฟุ้งซ่านมากเท่าไหร่ความคิดยังไม่แล่นปูดปราดนะการที่แล่นปูดปราดนี่มันก็มีข้อเสียนะคือทําให้ฟุ้งซ่านง่ายใจเรายังไม่ค่อยจะเรียกว่าไม่ตื่นเต็มที่ก็ได้ในลักษณะที่จะเป็นการคิดโน่นคิดนี่ให้ ชับไว้กระฉับกระเฉงมันก็เป็นโอกาสดีที่จะทําให้ใจเราว่างที่จะน้อมรับธรรมะหรือว่าพิจารณาธรรมจะว่าไปแล้วเนี่ยช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พระพุธทธเจ้านี่ตัดสัลุนะการตัดสัลุเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ก็ในช่วงที่เรียกว่ายามสามนะคือคนโบราณเขาแบ่งเวลาในช่วงค่าเนี่ยเป็นสามยาม หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มนี่ก็ยามหนะึ่งะสี่ทุ่มไปถึงตีสองนะนนก็ยามสองแล้วก็จากสองจากจากตีสองไปจนถึงหกโมงเช้านี่ ก, ก็เรียกว่ายามสามพระเจ้าตรัสรู้อย่างสมบูรณ์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็ยามสามนี่แหละพอตรัสรู้ไม่นานนะ ภาธิคก็ขึ้นสร้างความสว่างสวยให้กับโลกอันนี้ก็เหมือนกับเป็นอุปมาอุปไมยว่าการตัดสรุของพระ อ, องค์นี่ได้ทำให้โลกสว่างสวายไม่ใช่สว่างสวยในทางกายภาพแต่ว่าสว่างสวายในทางจิตใจก็คือได้เห็นทะลุปรุ่่ปรงว่าความทุกข์ของคนเรานั้นเกิดจากอะไรไม่ใช่เห็นไม่ใช่แค่เห็นหน้าค่าตากันว่า คนนี้คือใครคนนี้เป็นอะไรเท่านั้นอันนั้นเป็นการเห็นอย่างหยาบนะเห็นด้วยตาแต่ถ้าเห็นลึกลงไปถึงขั้นว่าเออมนุษย์เรานั้นเนี่ยก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันสรสัตว์ทั้งหลายนี่ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สี่เท้าสองเท้าซึ่งก็แตกต่างกันโดยชื่อแต่ว่าโดยสภาวะแล้วก็เหมือนกันก็คือเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะ แล้วก็ต่างประกอบไปด้วยตกอยู่ภายใต้นะความเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะก็คือว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะบังคับควบคุมบังคับบัญชาอะไรได้แล้วก็โดยแ ล, ละแต่ประกอบด้ว ย, ไ ป, วยไปด้วยสภาวะเดียวกันที่ต่างอิงอาศัยกันไม่มีตัวตนที่ ที่เป็นอิสระจากกันนะอันนี้ก็เรียกว่าต้องเห็นด้วยปัญญาซึ่งคำสอนของพระองค์การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี้ก็ทาให้เกิดความสว่างสวยในแง่นี้และเมื่อเห็นหรือเข้าใจใตรักแล้วนะก็ทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราก็ควรจะนะเจริญลอยตามพระพุทธองค์นะใช้เวลา ที่พระองค์เนี่ยได้ตรัสรู้มาเพื่อเป็นโอกาสในการที่เราจะได้รู้ทำเห็นทำบ้างนะหรือว่าอย่างน้อยก็ทำให้จิตใจของเราได้สว่างขึ้นในยามที่ผู้คนยังหลับไหลใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะไม่คุ้นนะยิ่งตื่นขึ้นมาในบรรยากาศแบบนี้ก็จะรู้สึกหนาวบ้างนะแล้วก็ ยังรู้สึกง่วงแต่ว่าถ้าเราทำเป็นกิจวัตรเป็นอา จ, จินเนี่ยนะก็จะเริ่มนะใจก็จะเริ่มสว่างขึ้นนะสว่างโดยที่ไม่ค่อยฟุง้งซ่านเท่าไหร่นะไม่เหมือนคนที่ตื่นมาตอนเช้าหรือตอนสายเนี่ยสว่างก็จริงแต่ว่าฟุ้งซ่านไปด้วยบางทีก็หนักๆอึง้งๆแต่นี่ใจเราจะเบาแล้วก็ต่อไปนี่ ก็จะรู้สึกถึงความวิเ ว, วความสงบสงัดแล้วก็จะเกิดความพึงพอใจในความสงบสงัดนั้นมันกลายเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์ขึ้นมาและยิ่งตอนเราได้ได้เห็นนะอรุณรุ่งได้เห็นแสงแรกของวันเนี่ยก็จะยิ่งพบว่าโ อ, อมันเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากแม้แต่อยู่กรุงเทพก็ตามนะบรรยากาศมันก็อาจจะไม่ งดงามเท่าอยู่ในชนบทแต่ว่าจะลองสังเกตดูก็ได้ว่าในช่วงเช้าพอาพาคาทิ่เริ่มขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันสว่างสวยัยอาจจะเริ่มรู้สึกที่ใจก่อนแม้ว่าทองฟ้ายังมีเพียงแค่แสงเงินจับอยู่ยังไม่สว่างเต็มที่แต่ใจเราจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมา อันนี้เป็นภาพที่งดงามที่เราควรจะได้พบในแต่ละวันแต่ละวันเพื่อได้เกิดกําลังใจนะถ้าตื่นขึ้นมาเห็นมันสว่างไปหมดแล้วเนี่ยนะก็ดูจะไม่ค่อยมีอะไรที่จะช่วยทําให้จิตใจชื่นบานเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วได้เห็นอรุณลุ่งนะได้เห็นแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าแล้วก็เริ่มเห็นโลกค่อยๆสว่างสวายทองฟ้าเริ่มสว่างขึ้นเปลี่ยนสีนะ จากเงินเป็นทองนะกกแล้วก็ขาวแล้ว ก, ก็เสร็จแล้วก็เป็นสีครามของทองฟ้าอันนี้กนะ็ช่วยทำให้เราเกิดกำลังใจได้ในการทำงานอาตมาอย่งตอนเป็นค า, ารวาสเนี่ยเวลารู้สึ ก, สกเหนื่อยเวลาท้อแท้แลหลังจากการทำงานพอได้หลั บ, ลบแล้วตื่นขึ้นมา เช้าๆได้เห็นพระทิขึ้นนี่รู้สึกจิตใจนะมันมีกำลังขึ้นมาเกิดความสดใสขึ้นมาเกิดกำลังใจที่จ ะ, ะลุยงานหรือว่าสู้กับอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับชีวิตได้มากขึ้นก็อยากพวกเราได้สัมผัสกับบรรยากาศอย่างนี้บ้างน ะ, นะเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจนะหรือว่ายิ่งกว่านั้นคือว่า ได้เกิดกำลังปัญญานะกำลังใจกับกำลังปัญญานี่ไม่เหมือนกันนะกำลังใจนี่มันคือการที่ใจมีพลังใจมีไม่มีความท้อแท้แต่ว่ากำลังปัญญานี่มันเกิดจากการที่เราได้เห็นธรรมะเกิดจากการที่เราได้เข้าใจธรรมะ โดยเพราะเข้าใจในเรื่องความทุกข์เนี่ยสำคัญมากอย่างที่เราสวดตอนเช้าเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่ช่วยทำให้เราเกิดปัญญาได้มากเลยถ้าเราพิจารณาตามไปด้วยแม้ว่าบางตอนเราอาจจะไม่เข้าใจเช่นเรื่องตัวตนนะรูปไม่ใช่ตัวตนนะเวทนาไม่ใช่ตัวตนอันนี้เร า, า จ, จะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่บางส่วนบางตอนเนี่ยเราพิจารณาไป<ะ>ก็จะได้ง่ายคิดเดี๋ยวเพราะเรื่องความทุกข์เนี่ยนะบทสมุนต์ตอนช้านี้ได้สาธยายให้เห็นว่าความทุกข์นี้มันได้แก่อะไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันเกิดจากอะไรนะขันนั้นเป็นที่มั่นแห่งความยึดมั่นคือทุกขนะนะ์อุปทานขันทั้งหาเนี่ยคือตัวทุกข์ ตัวขันเนี่ยมันก็ทุกอยู่แล้วนะคือรูปเราเนี่ยมันก็ทุกอยู่แล้วเราต้องกินถ้าเราไม่กินนี่ก็หิวเราต้องหาเสื้อผ้ามาหม่มถ้าไม่ห่มนะมมนะก็หนาวบ้างนะหรือไม่ก็ร้อนบ้างนะมันต้องดูแลร่างกายเราเนี่ยร่างกายนี่คือรูปเนี่ย แม้ว่ารูปนี้จะเราจะเห็นว่ามันสวยมันงามมันให้ความสุขแก่เราแต่ว่ามันก็เจอไปด้วยทุกข์มากแต่ว่าทุกข์ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไม่น่าพึงพอใจอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าการที่มันมันตั้งอยู่ไม่ได้มันต้องแปลเปลี่ยนไปเวทนาก็เช่นเดียวกันความสุขความสบายมันก็ไม่ได้อยู่ยั่งยืนมันก็ไม่ได้ว่าจะตั้งอยู่ได้นานมันก็ต้องแปลสภาพไป ความสุขก็เป็นทุกข์เหมือนกันในความหมายที่ว่ามันไม่สามารถที่จะคงอยู่ในสภาพเดิมได้และทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปยึดมั่นเข้านะก็ทำให้เราเป็นทุกข์ได้เพราะว่าเรายึดมั่นในสิ่งที่มันไม่เที่ยงในสิ่งที่มันไม่สามารถจะเป็นสุขได้อย่างแท้จริงยึดมั่นคืออะไรยึดมั่นคือยึดมั่นให้มันเที่ยงยึดมั่นคือยึดยึดมั่นให้มันสุขหรือว่า ไปหมกมุ่นกับมันไอ้ความยึดมั่นเนี่ยมันเป็นที่มาขอางความทุกข์เลยนะไม่ต้องดูอื่นไกลนะเรื่องที่ผ่านไปแล้วเรื่องที่ผ่านไปแล้ ว, ลวเหตุการณ์ล้ายๆที่ผ่านไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่นึกถึงเราก็ไม่ทุกข์แต่พอเรานึกถึงแล้วเราก็หมกมุ่นกับมันเราก็ทุกข์ทันทีเลย หรือแม้แต่สิ่งดีๆที่เราเคยผ่านแต่ว่าตอนนี้ไม่มีสิ่งนั้นแล้วพอเรานึกถึงขึ้นทีไรเราก็รู้สึกอาลัยขึ้นมาเกิดความอาลัยอาวรณอาลัยอาวร์นี่ก็ถูกนะนึกถึงวันคืนที่เคยอยู่กับคนรักอยู่กับลูกอยู่กับพ่อแม่อยู่กับเพื่อนนะ นึกถึงวัยเด็กที่มีความสนุกสนานแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีสิ่งนั้นแล้วไม่มีประสบการณ์อย่างนั้นแล้วพอนึกถึงแล้วก็คุ้นคิดกับมันนะเราก็จะทุกข์เกิดความเสียใจเกิดความอาลัยขึ้นมาอันนี้ก็ลวมไปถึงสิ่งของด้วยนะสิ่งของที่เราเคยชอบเคยให้ความสุ ข, สขเคยให้ความสบายกันเราแต่ว่าบัด น, นี้ มันได้ศูญหายไปแล้วรวมทั้งเงินทอง<ม>นะเพชรนินจินดาแก้วแหวนโทรศัพท์พอเรานึกถึงสิ่งที่เคยมีแต่หายไปแล้วเนี่ยก็เสียใจขึ้นมามอันนี้ก็เรียกว่าทุกข์เพราะไปยึดมันดดนะดม่นกับอดีตนะไปยึดมั่นกับอดีตไม่รู้จักวางอดีตก็ทําให้เราทุกข์ได้คนเราทุกข์เพราะเหตุนี้เยอะเลย อดีตมันผ่านไปแล้วแต่ไม่ยอมให้มันผ่านไปคำพูดคาด่าคาต่อว่าที่มันสูญสลายกลายเป็นสายลมไปแล้วแต่เราก็ยังไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางยังยึดยังหมกมุ่นคลุ้นคิดกับคำพูดเหล่านั้นมันก็เลยกลายเป็นมีดทิ่มแทงจิตใจของเร า, เราก็ทุกนั่นแหละนี่เรียกว่าทุกเพราะไปยึดมั่นกับอดีตอนาคตก็เหมือนกันนะ ยังมาไม่ถึงเลยก็กังวลละะเช่นกังวลว่าจะตกงานบ้างกังวลว่าจะเกิดภัยพิบัติบ้างนะกังวลว่าลูกเราจะสอบเรียนเข้ามหาวิทยาลัไม่ได้บ้างคนที่เป็นแม่คนที่เป็นพ่อนี่ก็ทุกข์ละทั้งทั้งที่ลูกยังไม่ทันจะสอบเลยไม่ทันยายังไม่ทันจะเข้าห้องสอบเลย ก็คิดไปล่วงหน้าแล้วว่านี่แล้วถ้าลูกเราสอบไม่ได้จะทำอย่างไรหรือว่าเราไปหาหมอหมอนัดให้มาร <c oughs> ับผลวันจันทร์หน้ายวไม่รู้เลว่าผลจะเป็นยังไง <c oughs> ก็กังวลล่วงหน้าไวแล้ว <c oughs> ไวแล้วว่าเออเดีเกิดหมอว่าเราเป็นมะเร็งเราจะว่าอย่างไรเราจะทำอย่างไรนะทุกข์แล้วนะคิดแบบนี้ก็ทุกข์แล้ว อันนี้เราว่าไปทุกเพราะไปยึดติดกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเกิดความกังวลขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมานะให้ความกลัวก็ดีความกัง ว, วลก็ดีในะส่วนใหญ่นี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือยังไม่เกิดขึ้นนะักกลัวผีนี่ก็เหมือนกันนะกลัวผีกลัวตายไอ้พวกนี้เนี่ยมันยังไม่ทันเกิดขึ้นนะแต่ก็คิดไปล่วงหน้าแล้ว อยู่ในห้องคนเดียวกลัวโน่นกลัวนี่อันนี้มันคิดลวงหน้าทั้งนั้นแหละแต่วา่าเพราะใจของเราที่มันไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางนี่แหละอันนี้เขาเลยยึดมั่นก็ทําให้ทุกข์ได้คนเราทุกข์เพราะอาดีตและทุกข์เพราะทุกข์เพราะไปยึด ก, กับอดีตและทุกข์เพราะยึด ก, กับอนาคตเนี่ยมากทีเดียวนะวันวันหนึ่งเนี่ยเราทุกข์เพราะเหตุนี้เนี่ยเยอะมาก ถ้าเรารู้จักปล่อยวางมันได้อดีตผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านเลยไปอนาคตก็ยังมายังมาไม่ถึงก็อย่าเพิ่งไปกังวลกับมันนะเราก็จะรู้สึกใจสบายอย่างพวกเรานั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าเราถ้าเราไม่ไปคิดถึงอดีตไม่ไปนึกถึงคนที่บ้านนะไม่ไปนึกถึงงานการนะที่ค้างค้างอยู่ล้วก็สบายจิตใจเราก็เบา หรือว่าถ้าเราไม่ไปนึกถึงหนี้สินที่ยังที่รอการชำระสาสางจากเรานะสินเดือนนี้จะเอาหนี้จองเงินที่ใหญ่จ่ายค่าเช้าบ้านจ่ายหนี้สินถ้าไม่ไม่ไปคิดเรื่องนี้เนี่ยใจเราก็สบายนั่งตรงนี้เราก็สบายถึงแม้อากาศจะเย็นสักหน่อยนะก็ไม่เป็นไรนะอันนี้เราทุกข์เพราะความยึดติดนะ คือยึดติดในอดีตแล้วก็อนาคตรพระตัวเจ้าก็ให้เราเนี่ยให้เรารู้จักอยู่กับปัจจุบันบ้างจะอยู่กับปัจจุบันก็อย่าไปยึดติดกับปัจจุบันมากนะเนะช่นตอนนี้มีเวทนาคือความหนาวความเย็นก็เพียงแต่รู้เฉยๆว่ามันหนาวแต่ถ้าใจเราไปปักอยู่กับความหนาวอันนี้ก็ทุกข์ละนะการไปยึดติดกับปัจจุบัน มันก็ทำให้ทุกข์ได้เหมือนกันนะหรือว่าเวลากำลังสงบสงบอย่างนี้เนี่ยมีคนส่งเสียงดังมีคนพูดเสียงดังอยู่ข้างล่างมีเสียงรถ ด, นะดังเข้ามาถึงในศาลานี้หรือว่ามีคนเปิดโทรศพัทรศพท์เสียงโทรศัพท์ดังอันนี้ก็ปัจจุบันนะแต่ว่าถ้าเราไปยึ ก, กับปัจจุบัน เราก็ทุกข์เหมือนกันนะไปจดจ่ออยู่กับเสียงดังมันก็ทำให้เราหงุดหงิดพอหงุดหงิดแล้วก็เลยฟังที่ตะมาพูดไม่รู้เรื่องไม่ปฏิปตะต่อก็ยิ่งไม่พอใจยิ่งหงุดหงิดเข้าไปใหญ่ใจก็ยิ่งไปปักอยู่กับเสียงนั้นแล้วก็นึกว่าหมกมุ่นอยู่แต่ว่าเมื่อไหร่เสียงนั้นจะหยุดสักทนะีเราคงเคยเป็นบ่อยนะเวลาไปดูหนัง หรือว่าเราไปอยู่ในที่ประชุ ม, ชมอยู่ในที่เงียบเงียบแล้วก็มีเสียงดังรบกวนนั้นทำไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางเราก็ทุกข์เองนะพุทธเจ้ า, จานี่ก็ท่านไม่ได้สอนให้ปล่อยวางเฉพาะอาดีตกับอนาคตนะแม้กระทั่งปัจจุบันนะก็ท่านก็สอนว่าอย่าไปยึดติดด้วยซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องทํางานทําการอะไร งานที่เราทำเราก็ต้องทำแต่ทำด้วยใจที่ปล่อยวางนะปล่อยวางอย่างรับผิดชอบนี่ทำได้นะปล่อยวางไม่ใช่ว่าไม่ไม่เอาเรื่องไม่เอาราวไม่ใช่แต่ว่าไม่ไปยึดติดถือมั่นกับผลที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่าไม่ยึดติดถือมั่นว่ามันมันเป็นเราเป็นของเราหรือไม่ไปหมกมุ่นกับมันนะจนกระทั่งเต็มไปด้วยความทุกข์นะ เราทุกข์เพราะความยึดมั่นยึดติดนี่เยอะนะแล้วใจเราก็แบกเอาไว้บางเรื่องเนี่ยเราก็ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราก็ไปหลงเชื่อในสิ่งที่เราปรุงแต่งแล้วก็แบกเอาไว้นะก็ทําให้เราทุกข์บางทีเราไปเจอแฟนของเรานะ เ, าเขาอยู่กับเพศตรงข้ามในร้านอาหา ร, ราในศูนย์การค้าเร า, เราก็เห็นเขาไกลๆแล้วพอเรา คิดไปว่า น, นี่เขากาลังนอกใจเราแล้วเราก็เชื่อความคิดนั้นว่าเขานอกใจเราอันนี้เราทุกเลยได้อันนี้เราทุกเพราะความปรุงแต่งใจของเราเนี่ยมันปรุงแต่งได้เยอะเลยแม้แต่เห็นต่อเห็นกับตาเนี่ยก็ยังอดปรุงแต่งไม่ได้บางทีเห็นเงาเห็นรากไม้กลางคืนนะก็ปรุงแต่งว่าเป็น เป็นงูแล้วก็เชื่อความปรุงแต่งนั้นยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่ปรุงแต่งนั้นนะเราก็ทุกนะถ้าคนเราทุกจนกระทั่งทะเลาะเบาแวงกันบาดหมางกันกับเพื่อนกับแฟนหรือกับคนอื่นเนี่ยก็เพราะว่าให้ความยึดมั่นกับสิ่งปรุงแต่ง ซึ่งไม่ได้มาจากไหนก็มาจากใจของเราเคยมีนะเมื่อสักสองสามปีก่อนเนี่ยมีวัยรุ่นนี่มามาสั่งอาหารกินแล้วเขาก็นั่งอยู่บนโต๊ะในโต๊ะนอกร้านตรงระเบียงแล้วก็ระหว่างที่ภรรยาของเจ้าของร้านนี่เขาเดินเดินผ่าน ก็อกว่านกนี่มันก็บินผ่านมาพอดีเนื้อหัวแล้วมันก็ขี้นะลงตรงศีรษะของวัยรุ่นนั้นนะวัยรุ่นนั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้นะว่านกเนี่ยหย่อนขี้ลงมาพอมีอะไรมาสัมผัสที่หัวเนี่ยเป็นของเหลวเนี่ยมันก็คิดว่าเขาคิดว่าภรรยาเจ้าของลานเนี่ยถมน้ํำลาย รถหัวเขาก็เลยโกรธไม่พอใจ ต, ต่อรอต่อเถียงกันแล้วก็เลยกลายเป็นการทะเลาะกันเสระทุธาก็จะลงไม้ลงมือเจ้าของร้านนี่มีมีดก็เลยเอามีดไล่วัยรุ่นนั้นก็หนีไปแต่จริงไม่ได้หน um really ีไปเพียงแค่ถอยเสรวสักพักก็กลับมาครั้นี้เอาปืนมาเอาปืนมายิงถล่มกันกับเจ้าของร้านเปรากว่าเมียเจ้าของร้านก็ตาย ทั้งหนี้เกิดขึ้นเพียงเพราะว่านกเนี่ยมันบินผ่านมาแล้วมันก็ขี้หล่นลงมาเปนหัวแต่ว่าเจ้าตัวนี้ไปไปคิดปรุงแต่งนะว่าภริยาเจ้าของรา น, นีเขาถ่มําลายรถหัวแล้วคนเราเนี่ย ม, มันปรุงแต่งกันได้นะแต่ว่าถ้าเราไปเชื่อคําปรุงแต่งแล้วก็ไปยึดมั่นถือมนสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมาได้ ถ้าเราลองพิจารณาดูชีวิตของเราที่ผ่านมาเนี่ยนเราเป็นทุกข์เราทะเลาะบบาแวงกันเนี่ยเพราะว่าไอ้ความยึดมั่นถือมั่นกับความคิดปรุงแต่งบ้างหรือเปล่านะเชื่อว่าคงจะมีเยอะทีเดียวอันนี้ก็ถือว่าเป็นทุกข์เหมือนกันนะเป็นสายแห่งทุกข์เะฉะนั้นเทอที่เล่าพิสาธยายมานี่ก็คงจะเห็นแล้วว่า ให้ความทุกเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคนอื่นมากเท่ากับเกิดจากใจของเราเกิดจากความคิดของเราเหตุการณ์อะไรต่างๆที่ผ่านไปแล้วลถ้าเราไม่คิดถึงมันมันก็ไม่ทุกข์นะอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่คิดถึงมันไม่ไปกังวลถึงมันเราก็ไม่ทุกข์นะนะแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับปัจจุบันเฉพาะหน้านะถ้าเราไม่ไปยึดติดถือมั่นกับมันเราก็ไม่ทุกข์ คนเราทุกข์เพราะความคิดซะเยอะนะ<ร>แต่เรามักจะไปโทษคนอื่นไปโทษคนอื่นแล้วก็ลืมดูใจของเราว่าที่จริงแล้วเนี่ยใจของเราต่างหากเนี่ยนะเป็นตัวการที่ทำให้เราทุกข์เองถ้าเราฉลาดนะแล้วเรากลับมาดูใจของเราบ้างและเรารู้ว่าอ๋อที่ทุกข์เนี่ยเพราะยึด เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะไม่ทุกข์ก็คือปล่อยก็วางซะมันก็ทำให้เราไม่ทุกข์ได้หรือว่าถ้าเรามีสติรู้ทันนะไอนะ้ใจที่มันทุกข์แล้วมีปัญญานะนะตามทันปัญญานี่ก็จะช่วยทักท้วงไม่ให้เราไปหลงจีกับความปรุงแต่งใ่ช่เราปรุงแต่งว่าแฟนเรานอกใจ แต่ว่าเรารู้เรารู้ทันในในความคิดปรุงแต่งนั้นว่าไอ้นี่มันแค่ความคิดนะมันไม่ใช่ความจริงนะเราแน่ใจหรือเปล่าว่าเป็นความจริงอันนี้เรียกว่าเกิดการทักท้วงขึ้นมาไอ้การทักท้วงอย่างนี้มันต้องมีสตินะแล้วก็ต้องอาศัยปัญญาด้วยเพราะว่าประสบการณ์ของเราที่ผ่านมามันก็เป็นบทเรียนให้เรารู้ว่าเราเข้าใจผิดมาก็บ่อยครั้ง บทเรียนเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเกิดปัญญาแล้วก็เกิดการทักท้วงได้เวลาเราเราไปไปปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเช่นเพื่อนเขาไม่ทักไม่ทายเราเราทักทายเพื่อนแต่เพื่อนเนี่ยกลับไม่สนใจไม่มองหน้าเราเลยความรู้สึกอย่างแรกที่เกิดขึก็คือเรากโกรธแล้วเราก็คิดต่อไปว่าเพื่อนนี่นะ ไม่พอใจอะไรหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนเนี่ยยิงนะถึงไม่ทักไม่ทายเราถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยเรายิ่งรู้สึกลบต่อเพื่อนมากขึ้นเรายิ่งทําให้เราปั้นปึงต่อเพื่อนก็ซึ่งทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันแย่ลงแต่ถ้าเรารู้ทันไอความรู้สึกที่ไม่พอใจเพื่อนแล้วก็รู้จักทักท้วงมันบ้างว่าโอ้เพื่อนเข า, า จ, จะไม่ใช่ว่าโกรธเราหรือ ไม่พอใจเรานะเขาอาจจะไม่เห็นเราก็ได้ก็ากำลังใจรอยอยู่คขาอากํากำลังกุ้มหมวกกุมใจอาจจะกุ่มใจเรื่องพ่อเรื่องแม่ที่กำลังป่วยนะเขาก็เลยไม่ทันได้ได้ยินได้เห็นเรานะถ้าคิดแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ความโกรธทุเราลงแล้วก็ทำให้เราเกิดความเห็นใจด้วยบางทีเราก็ต้องรู้จักทักท้วงนะ ใจของเราบ้างทักท้วงความคิดของเราบ้างไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดความเข้าใจผิดกันแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายตามมาคนเราต้องรู้จักทักท้วงความคิดของเราเพราะว่ามันปรุงแต่งไปได้สารพัดถ้าเราทักท้วงแล้วเนี่ยนะก็ทำให้เราปล่อยวางได้ลุงพ่อ หลวงพ่อพุทธท่านเคยเล่าให้ฟังนะหลวงพ่อพุทธานิโยนท่านก็มรณะภาพไปแล้วท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์ชื่อดังมากถ้าเล่าว่าตอนที่ท่านเป็นพระยังพรรษาไม่มากเนี่ยวันหนึ่งเดินบินทบาตก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะเตรียมใส่บาตร ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีลูกอายุสักห้าขวบเนี่ยอยู่ข้างๆท่านก็เดินไปรับบาตรพอเดินไปใกลยย้จะถึง<ค>ผู้ผหญิงคนนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยเขาก็พูดขึ้นมาว่าไม่รู้พูดกับท่านหรือเป่าพูดขึ้นมาว่ า, ม, า, วามึงไม่ใช่พระมึงไม่ใช่พระพูดอย่างงี้นะเด็กพูดกับท่านเนี่ยพอท่านทีนอยท่านโกรธเลยนะท่านโกรธเลย ไม่เคยมีใครพูดกับท่านอย่างนี้นี่เด็กเดี๋ยไม่ทันอดนมเลยพูดกับท่านอย่างนี้โกรธแต่ว่าท่านก็มีสติพอรู้รู้ทันความโกรธแล้วท่านก็มีท่านก็ฉุดคิดขึ้นมาได้ท่านก็บอกว่าเออใช่สินะเราไม่ใช่พระเพราะถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธ พอท่านนึกอย่างนี้ขึ้นมาในใจนี่ความโกรธนี่มันหายเลยนะไม่โกรธเด็กเลยถ้าท่านก็ไปรับบาจากแม่ของเขาตามปกติอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเด็กจะพูดอะไรเนี่ยนะถ้าใจเราไม่ปรุงแต่งนะมันก็ไม่มีอะไรแต่พอใจเราไปยึดติดถือมั่นกับคาพูดของเด็กเกิดความโกรธ แ้วยังไม่มีสติรู้ทันความโกรธนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้แต่ถ้าเรารู้ทันนะความอารมณ์ที่ปรุงแต่งขึ้นมาปัญญามันก็ทํางานทักท้วงได้ทักทวงเลยนะเออใช่สินะเราไม่ใช่พระนะถ้าเป็นพระต้องไม่โกรธนะบางทีคนที่เป็นครูก็คิดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเวลานักเรียนทำอะไรขึ้นมา เรโกรธเด็กโกรดนักเรียนก็ทวงขึ้นมานะเออใช่สินนะถ้าเราเป็นครูเราต้องไม่โกรธหรือถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เราต้องไม่โกรธเพราะเด็กเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะเป็นผู้ใหญ่ต้องหนักแน่นนที่แบบนี้ก็ทําให้เราเนี่ยจิตใจสบายหลวงพ่อพูดเนี่ยท่านตอนหลังท่านก็บอกว่าเนี่ยเด็กคนนี้เป็นอาจารย์ท่าน เด็กห้าคนที้เป็นอาจารย์ท่านมาเตือนท่านให้ใหท่านเนี่ยรู้ทันอารมณ์แล้วก็มีสติแล้วก็มีความสังวรในความเป็นพระแล้วมีสมมหัสัญญาอาจารย์ของพระนี่ไม่ใช่ว่าต้องเป็นหลวงพ่อต้องเป็นอุปชานะเด็กๆก็เป็นอาจารย์ของพระได้เหมือนกับพวกเราที่เป็นครูเนี่ยลูกศิษย์ก็เป็นอาจารย์ของเราได้นะ เด็กๆหรือลูกของเราก็เป็นอาจารย์ของเราได้แล้วคนฉลาดเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้จาก<ส>าทุกคนแล้วก็ทุกสิ่งได้ทุกสิ่งแล้วทุกคนที่สามารถเป็นอาจารย์ของเราได้แม้ว่าเขาจะมีการศึกษาน้อยกว่าแม้เขาจะ เ, าเป็นคนที่ไม่มีความรู้เลยหรือแม้เขาจะเป็นคนบ้าก็ตามนะก็สามารถเป็นอาจารย์ของเราได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เรานะลองไข้ครวนนะเวลาเรามีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยอย่าเผลอนะอย่าเผลอส่งจิตออกไปข้างนอกไปโทษคนนั้นคนนี้อย่างเดียวให้ย้อนกลับมาดูใจของเรานะถ้าเราดูใจของเราแล้วก็จะพบว่าเป็นเพราะความยึดมั่นถือมั่นในใจของเราเป็นเพราะความคิดปรุงแต่งของเราเนี่ยตัวนี้แหละที่เป็นตัวการทำให้ทุกข์ มันไม่ใช่อะไรอื่นนะและอย่างที่บอกเวลานี้ว่า ใ, ใจที่มันวิบัติเนี่ยนะมันน่ากลัวกว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับธรรมชาตินะให้เราลองอมีสติระแวดระวังดูใจของเราบ้างเอาละชาวนี้ก็พึ่งกันทานนี้น ะ, ะกราบพระพร้อมกัน